1. สรุปความจากกรณียเมตตาสูตรผู้ฉลาดผู้ปรารถนาซึ่งประโยชน์อันยิ่งแห่งตนและผู้อื่นพึงกระทากิจดังนี้จงเป็นผู้อาจหารซื่อตรงและซื่อสัตย์จงเป็นคนว่านอนสอนง่าย ไม่เย่อหญิงอวดดีมีความสันโดษพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีและเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นผู้มีกิจอันน้อยไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระอย่าหาภาระใส่ตนเป็นคนสุขุมสงบสงีียมใช้ไหวพริบและปัญญาในการดำเนินชีวิตเป็นผู้ไม่ขนองตน ไม่คลุกคลีพัวพันกับผู้อื่นไม่กระทําในสิ่งไม่ดีที่ผู้รู้ทั้งหลายติเตียนจงเป็นผู้ปรารถนาดีมีความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอันไม่มีประมาณมีความเมตตาปรารถนาให้สรรพสัตว์ในทั่วทุกสารทิศมีความสุขและพ้นจากทุกทั้งปวงจงรัก และปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายราวกับมารดาที่รักและปรารถนาดีต่อบุตรของตนไม่พึงขมเหงเบียดเบียนไม่พึงดูหมิ่นเยียดหยามไม่ผูกโกรธอาฆาตพยาบาทผู้ใดจงอย่าเป็นคนมีจิตใจคับแคบอย่าได้ก่อเวรและไม่สร้างศัตรูไม่ว่าในอิริยาบทใด พึงมีสติดำรงตนอยู่ในเมตตาวิหารธรรมอยู่เสมอดำรงตนอยู่ในศีลและละทิ้งมิจฉาทิฐิทั้งหลายจงเป็นผู้ถึงพร้อมซึ่งปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงละทิ้งแล้วซึ่งความติดใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหากประพฤติได้เช่นนี้ ย่อมไม่กลับมาเกิดในคันอีกต่อไป